18. อะไรคืออำนาจแท้ที่ทำให้คนเป็นไปตามที่เป็นเพราะอาตมาเห็นว่าถ้าจะไปพูดว่าอำนาจที่ยิ่งใหญ่จนสร้างโลกทั้งโลกสร้างมหาเอกภพทั้งมหาเอกภพและสร้างทุกสรรพสิ่งในมหาเอกภพจริงๆ เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ผู้เดียวในมหาเอกภพนั้นมันต้องไม่มีอะไรขัดแย้งกันเพราะผู้สร้างก็เป็นผู้เดียวความประสงค์ของตนก็ผู้เดียวถ้าจะนับว่าพระเจ้าคือธรรมชาติก็พอนับกันได้และยอมรับกันไปได้ แต่หากจะพูดว่าธรรมชาติเป็นผู้สร้างก็คงไม่ได้โดยเฉพาะสร้างพฤติกรรมสร้างนิสยัยวิสัยของมนุษย์ของคนเพราะอำนาจแท้ที่ทำให้คนเป็นไปตามที่เป็นนั้นไม่ใช่ธรรมชาติแน่ธรรมชาติทำให้คนพ้นทุกข์หรืออำนาจธรรมชาติ สร้างให้คนทำดีหรือทำชั่วไม่ได้เพราะจิตใจของคนแต่ละคนเป็นอิสระของเขาเองแท้ๆและสูงสุดเป็นอรหันต์สามารถใช้อำนาจอย่างอิสระของตนได้เองแท้จริงเต็มอำนาจเลยถ้ายังไม่บรรลุถึงขั้นอรหันต์ ก็ยังมีอำนาจที่เหนือกว่าตนอัตตาอยู่แท้ๆจึงยังไม่พ้นความเป็นธาตุสมบูรณ์อรหันต์มีอำนาจแท้สูงสุดเด็ดขาดจึงเป็นของตนหรือของอัตตาอาตมันอย่างอิสระเสรีที่สุดที่ตนจะให้เป็นไป